เฉันพระราชาพระเจ้าพิมพ์ิสานก็คิดว่าเราจะส่งรัตนะที่ไม่มีอะไรเสมอเท่านั้นแก่พระสหายของเราก็เลยจะจะส่งพระพุทธรัตนะนี่แหละให้ก็เลยถามพวกพ่อค้าที่มาจากเมืองตักกศิลาว่าดูก่อนพ่อทั้งหลายรัตนะสามอย่างคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยย่อมปรากฏในชนบทของพวกท่านหรือพ่พอค้าก็บอกว่าแม้เสียงก็ไม่มีในชนบทนั้นการเห็นจักมีแต่ที่ไหนอย่างนั้น เหมือนกับว่าคําว่าพระพุทธเจ้านี้ไม่เคยได้ยินเลยอ่ะนะพระธรรมก็ไม่เคยได้ยินพระสงฆ์ก็ไม่เคยได้ยินจะเห็นมาจากไหนโนาะุกวันนี้นะไปหลายๆแห่งเนี่ยนะคนไม่รู้จักพระพุทธเจ้านี้ถือว่าเป็นเรื่องปกติแล้วใช่ไหมก็ก็กลับเข้าสู่เหมือนยุคนั้นสมัยนั้นไปแล้วแทบจะไม่รู้จักพระรัตนตรัยอะไรเลยในประเทศอินเดียในยเองเนี่ยตอนนี้ก็รู้จักพระพุทธเจ้าสักกี่คนไม่ทราบในประชากรร่วมพันล้านเนี่ยนะ ที่ได้ยินคําว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยก็มีไม่กี่คนหรอกหรืออาจจะนึกถึงจังหวัดโบขยาเลยเนี่ยโบขยาก็ได้แค่นั้นอนะ่ะก็อาจจะได้ยินแค่นั้นนะนีคือพุทธขายาเนี่ยเขาเรียกโบขยาซนะะโอกาชอบเป็นซะโอนะเขเรียกโบขยาเป็นจังหวัดจังหวัดหนึ่งของรัฐพิหารนี่นะรัฐพิหารนี่มีหลายจังหวัดนะจังหวัดโบขยามีจังหวัดหนึ่งอาจจะได้ยินอยู่เท่านั้นนะนะีแต่ก็มีรัฐมหาราช ชลกรัฐมหาราชตอนนี้ก็ยังพอนับถือพระศาสนาอยู่บ้างแต่ทรัดอื่นๆนี่ก็หนักหนาสาหัดนั่นแหะถ้าแถวๆอะไรนะตักไอกราคตาเนี่ยนะอันนั้นไม่มีวัดพุทธแม้แต่วัดเดียวอันนั้นประชาชนเนี่ยมากๆมา ก, มา ก, มากพอๆกับกรุงเทพเนี่ยแต่ขนาดนั้นก็กันดานแหงแรงไม่มีแม้กระทั่งได้ยินว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยหายากเต็มทีพันในยุคนี้นี่ ที่จะได้ยินพระพูดพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยนะสมัยนี้ยุคนี้เนี่ยหายากเต็มทีทวีปแอฟริกาเนี่ยอะแอฟริกานี่คิดว่าจะมีนับถือพระศาสนามีบ้างไหมตะวันออกกลางนี่ก็หาทํายายายากนะแอฟรกานี่ก็แอฟริกานี่ก็หนักนะทหัสเหมือนกันออสเตรเลียน้อยเต็มทีนะแต่ว่าขนาดประเทศไทยยังน้อยขนาดนี้นะเขาเรียกว่าอะไรนะใจกลางอยู่แล้วนะหัวใจอยู่แถวๆนี้ก็ยังแหม เป็นโรคเลือดรอเลี้ยงไม่ค่อยจะพออยู่แล้วนะจะกล่าวไปยายถึงส่วนแขนส่วนขาเหมัน้นกันพันธราชาก็พอได้ข่าวว่าที่เมืองนั้นเนี่ยไม่เคยได้ยินแม้กระทั่งคำว่าพระพุทธเจ้าก็เลยดีใจ น, นะยินดีที่คิดว่าเราเนี่ยจะส่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปสู่สถานที่เป็นที่อยู่ของพระสหายของเราเพื่อประโยชน์แก่การส่งเคราะห์ชนแต่พระพุทธเจ้าทั้งหลายจะไม่ทรงแรมคืนในปัจจันตชนบททั้งหลาย เพราะฉะนั้นพระศาสดาจะไม่อาสเด็จไปพระพุทธเจ้าจะไม่ไปไปค้างคืนที่นั่นเหมือนก็อาจจะส่งพระมหาสาวกมีภาษารีบุตรและพระมหาโมฆลลานะเป็นต้นแต่เราก็ฟังว่าพระเถระทั้งหลายอยู่ในปัจจันตชนบทสมควรเพื่อจะส่งคนทั้งหลายนำพระเถระเหล่านั้นมาสู่ที่ใกล้ตนแล้วบำรุงทีเดียวแม้พระเถระเหล่านั้นก็ไม่อาจไปก็คือสรุปว่าพระมหาสาวกทั้งหลายก็ส่งไปไม่ได้ คือคําว่าส่งไปเนี่ยก็คือส่งไปในฐานะแบบเป็นทูตเป็นอะไรเนี่ยนะแต่ว่าไม่สามารถทําได้ก็เลยส่งสารไปแล้วด้วยบรัญการใดพระศาสดาและพระมหาสาวกทั้งหลายก็เป็นอันไปแล้วเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจักส่งสารด้วยบรัญการนั้นถ้าเทียบตามตรงนี้นะประเทศไทยมีพระไตรปิฎกก็เท่ากับมีพระัตนตรตยครบถ้วนใช่ไหมพระเจ้าพิมพิสารจะนั่งจําลองพระไตรปิฎกได้ทั้งเล่มหรือเนี่ยนะ นะก็ถ้าเทียบกับของเราแล้วเรามีพระไตรปิฎกแทบทุกหมดทั้งอย่างอันนะมีครบถ้วนกระบวนความหมดอยู่ในแผ่นซีดีแผ่นเดียวเนี่ยนะนะถือว่าอ่านจดหมายก็แล้วกัน <c oughs> อ่านจดหมายที่พระเจ้ า, าโศกส่งมาเหั้นทีนี้เรบอกว่าจะส่งศารบรรณาการก็คือส่งพระไตรปิฎกอันนะพระศาสดาและพระมหาสาวกทั้งหลายก็เป็นอันไปแล้วเหมือนกันเพราะฉะนั้นจะส่งศารไปด้วยบรรณาการนั้น พระองค์ก็ทรงราชดำริอีกว่าเรานี่ให้ทําแผ่นทองคํายาวสี่ซอกกว้างประมาณคืบหนึ่งหนาพอสมควรไม่หนาพอควรเนี่ยนะไม่บางนักไม่หนานักแล้วก็จักลิขิตอักษรลงในแผ่นทองคําคือก็คิดดูนะยาวแค่สี่ซอกเองใช่ไหมกว้างคืบหนึ่งจะไปเขียนอะไรใส่ไปนักเขียนก็เขียนรายละเอียดอะไรไม่ได้มากสักเท่าไหร่นะแต่นั่นก็ ต้องตรวจเล็กนิดเดียวเลยนะจึงจะเนื้อหาได้เยอะๆเนี่ยนะถ้าเทียบไปแล้วพระไตรปิฎกของเราไม่ถึงห้าหน้าเลยใช่ไหมก็นับว่าไม่ได้เยอะอะไรทีนี้ก่อนที่จะเขียนรายละเอียดลงในแผ่นทองคำเนี่ยนะก็สรงพระเศียนแต่เช้าตรูแ่แปลว่าสะหัวตัง้งแต่เช้าเลยทรงอธิษฐานอุโบสถเสวยพระกญาหารเช้าเปลืองพระสุคนทักคันธมาลาและอาภรณ์ออกอ น, นะก็เปลืองเครื่องประดับทั้งหมดเพื่อรักษาอุโบสถเนี่ยนะ ทรงถือชาติสีแดง ส, สีแดงก็ไอพวกตัวเขียนเ่ยนะเป็นคล้ายๆเหล็กจานเนี่ยด้วยพระขันทองทรงปิดพระทวารทั้งหลายตั้งแต่ชั้นล่างเสร็จขึ้นพระปราศาสตรเปิดศีหบัญชรคือหน้าต่างที่ตะวันออกนั่งประทับบนพื้นอากาศก็คือนั่งกลางแจ้งนะคำว่าพื้นอากาศก็นั่งกลางแจ้งนั่นแหละลิขิตอักษรลงในแผ่นทองคำก็ ไม่ใช่ลอยอยู่นะพื้นอากาศก็คือที่โล่งๆอ่ะ น, นะ ก, กลางแจ้งนั่นแหละสมัยนี้ก็คือดาดฟ้านะพวกลักษณะพวกดาดฟ้าพวกอะไรนะนะั่นแหละทีนี้ก็ลิขิตพุทธคุณโดยเอกเทศแปลว่าโดยบางส่วนนะไม่ได้เอามาทั้งหมดอะไรเช่น กิธาตัถาคโตโโลเกเ อ, อุปนโนอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโโลกวิทวานุตโรภริสธ ร, รมมาซาลติสัตถาเทวมนุษย์สานังพุทโภควาติเนี่ยนะอันนี้เรียกว่าเป็นพุทธคุณแบบย่อๆเพราะบทสวดมนต์เช้าเรานั่นแหละนะใครที่มักจะสวดมนต์เช้าก็คุ้นเคยกับบทนี้เลยนะอันนี้เป็นเนื้อหาในพระราชสารของพระเจ้าพิมพิสารส่งไปให้พระเจ้าปุกุสาติ ทีนี้ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยว่าถ้าถ้าจะแปลนเนื้อความใช่มว่าพระตถาคตเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้พระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์อรหันต์กี่นายสิอนายใช่ไหมอรหันต์ตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองเนี่ยนะก็ตรัสรู้อภินยยัยยธรรมเป็นต้นถึงพร้อมด้วยวิชาสามวิชาแปด บริบูรณ์ด้วยจารณะ15เสด็จไปดีแล้วเสด็จไปสู่อมตะนิพพานเป็นต้นเนะรู้แจ้งโลกขันสังขารโลกโอกาสโลกสัตวโลกนะอนุตโรไม่มีผู้ใด ย, ยิ่งกว่าด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติยานทัศนะเป็นต้นนะปุริสธรรมสาระิเป็นผู้ฝึกบุรุษที่สมควรฝึกนะเะเพราะพระองค์ฝึกแล้วให้ได้สมาบัตร8เป็นต้นนะนะ ศาสดาพระองค์เป็นศาสดาคือผู้พาหมู่สัพพสัตว์ทั้งหลายให้ข้ามจากโอคะกันดนันสาธเตวมนุษย์สานังพุโทโธคือเป็นพระพุทธเจ้ากำจัดราคะโทสะโมหะเป็นต้นโดยสิ้นเชิงพระควาผู้จำแนกแจกแจงพระธรรมรัตนะเนี่ยนะแล้วก็อธิบายเนื้อหาพระพุทธคุณว่าผู้ที่จะได้พระคุณดังกล่าวมานี่พระองค์บำเพ็ญบารมีสิทัส อนทานศีลเนคคัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะที่ทานเมตตาอุเบกขาเมื่อพระองค์นี้บำเพ็ญบารมีครบทั้ง30ทัศพรองจุติจากสวรรค์ชั้นดุสิตมาถือปฏิสนธิในพระคันของมารดาเปิดโลกได้มีแล้วด้วยอาการอย่างนี้ใช่ไหมก็ไปอ่านหนังสือฉบับเล่มลุมพินีวันเนี่ยนะลุมพินีนั่นแหละจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องพระองค์เนี่ย ยังลงสู่คันมารดาเป็นต้นอย่างไรเมื่อพระองค์ทรงอยู่ในพระคันนมานดาได้มีชื่อแล้วอย่างนี้เมื่อครอบครองเรือนได้มีชื่อแล้วอย่างนี้ก็คือมีเหตุการณ์อัศจรรย์อะไรบ้างเนี่ยนะเมื่อพระองค์เสด็จออกมาพิเนศกรมพิเนศกรมก็คือมหาเนกขมะแปลว่าออกบวชเนี่ยนะอย่างนี้เริ่มตั้งความเพียรใหญ่อย่างนี้ บำเพ็ญทุกขรกิริยาอย่างนี้เสด็จขึ้นสู่ควงมหาโพธิ์ประทับนั่งบนอัปปราชิตบาลังแล้วแทงตลอดพระสัพพัญยุตยานเมื่อแทงตลอดพระสัพพัญยุตยานเป็นอันมีการเปิดโลกแล้วอย่างนี้ขึ้นชื่อว่ารัตนะเห็นปานนี้ไม่มีในโลกพร้อมทั้งเทวโลกเนี่ยนะนี่ก็เป็นการแสดงพระคุณคุณของพระพุทธเจ้านี่สามารถแสดงได้3ประการย่อๆเนี่ยนะหนึ่งเรียกว่า คุณะคุณะคุณคุณะนะคุณคุอ่ ะ, อ, ะ, นะ อ, ะอย่างที่สองเขาเรียกว่าจริยาคุณอย่างที่สมเรียกว่าสรีระคุณแบ่งออกเป็นสอย่างะนะถ้าดังที่กล่าวไปเนี่ยอย่างอารหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนพวกนี้เขาเรียกว่าคุณะคุณคุณคุณก็คือคุณธรรมอ่ะนะอรหันต์เป็นต้นเขาเรียกว่าคุณะคุณพระองค์บำเพ็ญบารมีสิบอุปบารมีสิบปรมัตถาบารมีสิบจนถึงมาก ได้ถือปฏิสนธิในคันอันนี้ เ, เรียกว่าปุพพะเจริยาคุณคือเจริยาที่พระองค์ได้ประพฤติมาทีนี้เมื่อพระองค์เนี่ยมาสู่พระคันแล้วปฏิสนธิปฏิสนธิแล้วหลังจากนั้นประสูดบริบูรณ์ด้วยมหาปริศลลักษณะ32อนุพยัญชนะ80อย่างนี้เ้าเรียกว่าสรีระคุณเนี่ยนะสรีระคุณเนี่ยนะพุทธคุณสาม น, นะหนึ่ง พระคุณคุณเนี่ยนะสองพระจริยาคุณสามพระสรีระคุณเนี่ยนะคุณคุณก็เช่นอรหันตคุณเป็นต้นเนี่ยนะอรหันตคุณเป็นต้นอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตเป็นต้นเนี่ยเรียกว่าคุณคุณส่วนจริยาคุณก็เช่นบารมีสิบเนี่ยนะ บารมีสิอุป ป, ปารมี10ปรมัถปารมี10มหาบริจาก5อธิษานทรรม4เป็นต้นเนี่ยนะที่พระองค์บำเพ็ญมาทั้งหมดนี่เรียกว่าเจริาคุณส่วนสรีระคุณก็มหาปุริสลักษณะนะลักษณะ32ออนุพยัญชนะ80นี่นะอันนี้เรียกว่าพระสรีระคุณท่านบุคคลทั้งหลายเมื่อจะเชชมพระพุทธเจ้าก็ชมอยู่ในขอบเขต3ประการนี่แหละอย่างพระเจ้าพิมพิสารก็ สประการนี้ใช่ไหมคุณคุณก่อนอรหังสัมมาสัมพุโทโธกับจริยาคุณเนี่ยนะยกมาสองประการเนี้เมื่อพระพุทธเจ้าเนี่ยนะประกอบด้วยพระคุณอย่างนี้เนี่ยก็เลยยกข้อความในรัตนสูตรมาเขียนโดยย่อใช่ไหมยังกินจิวิตังอิทวาหุงรังวาสักเทสวายังรัตนังปณิตังโนสมังอาติตธาคเตนะัมปิพุเตรัตนัง ปณตังเอเตนะสะเจนะสวัทิฮนโตเนี่ยนะยังกินจีวิตตังก็คือทรัพย์เครื่องปลื้มใจอย่างใดอย่างหนึ่งในโลกนี้หรือในโลกอื่นเนี่ยนะเอธวาหุรังวาเนี่ยคือในโลกนี้ก็ตามในโลกอื่นก็ตาม น, นะก็คือหนึ่งคําว่าทรัพย์ก่อนนะหรือรัตนะเนี่ยนะรัตนะใดอันประณีตในสวรรค์ทั้งทรัพย์และรัตนะนั้นนะ่ะเสมอด้วยพระตถาคตไม่มี พุทธรัตนะแม้นี้เป็นรัตนะอันประณนด้วยคำสัตว์นี้ขอความสวัสดีจงมีนีนะก็คือไม่มีสิ่งใดที่จะประเน็ดียิ่งกว่านี้อีกแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นความจริงพ่านขอให้สัตว์สัตว์ทั้งหลายจงถึงความสวัสดีขึ้นว่ากล่าวสัจจวาจาเนี่ยนะเพื่อประสงค์ให้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยประสบความสุข ก็ในบรรดาสิ่งที่นึกแล้วปลื้มใจเนี่ยนะก็นึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วปลื้มใจนึกแล้วมีความสุข น, นะแต่ถ้าคือพวกทรับคำว่าซัพ์เครื่องปลื้มใจเนี่ยนะข้าวของเครื่องใช้เนี่ยตอนที่ได้มาแรกๆนึกแล้วปลื้มเลยใช่ไหมพอได้ไปนานๆแล้วนะปลื้มไม่ตอนรักษาเนี่ยนึกตอนรักษานี่ไม่ปลื้มเลยนะหรือแม้กระทั่งพวกข้าวของเครื่องใช้อะไรทั้งหลายแหล่ทั้งหมดเนี่ยนะก็ไม่เหมือนกับพระพุทธเจ้า ท น, นใครที่ได้ศรัทธาในพระพุทธเจ้านี่ก็นับว่าอะไรนะลาภานุตรยะใช่ไหมได้ได้ลาบเนี่ยนะเพราะว่าได้ศรัทธาในพระพุทธเจ้าเนี่ยยังความปีติโสมนัตให้ไม่มีเส้นสุดเนี่ยนะถ้าใครสามารถศึกษาพระพุทธคุณเอาไปละลึกไปตรึกไปบ่อ ย, อยๆเนี่ยนะยังความสุขโสมนัติให้เป็นอย่างมากก็ ประดุดฝนราดรถจิตใจเลยนะถ้าใครเจริญพุทธคุณได้ถ้าตรึกอะไรยังไม่ได้ก็เนี่ยศึกษาพุทธประวัติตรึกตามพุทธประวัติไปก่อนก็ได้แล้วก็ค่อยๆขยายรายละเอียดลงเป็นแห่งเป็นแห่ ง, เ ป, หงเป็นแห่งไปก็อย่างนี้ก็ได้นี่นะอย่างนี้ก็ในบรรดาพุทธกิจที่มาโปรดท่านพระพุกุสาตินี่ก็อย่างหนึ่งละนี่นะในบรรดาเป็นธรรมะที่เป็นเครื่องให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้า ถ้าที่จะเห็นคุณเนี่ยนะซึ่งหลายๆท่านก็พูดเหมือนกันคือพระมหากรุณาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระองค์นั้นเป็นผู้มีพระกรุณาจรงิจรงๆถ้าไม่มีกรุณาเนี่ยนะหลายๆเรื่องทำไม่ได้หรอกยิ่งอะไรการสงเคราะห์หมู่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะไม่ใช่ง่ายดังที่เคยได้กล่าวไปว่าไปให้เข้าดดาเกือบทั้งคืน อันนะรอให้เขาดา่าให้เสร็จก่อนแล้วขาพูดให้เขาฟังนะเหมือนกับว่าทะเลาะกันก่อนแล้วชั่งช่วยเขาได้เนี่ยนะบางคนก็ต้องเดินไปให้เขาเห็นหน้าอยู่เป็นเดือนๆเนีเ่ย น, นะให้เขาเห็นหน้าไว้ก่อนก็ยังดีบางคนนี่ก็ต้องไปพูดให้เขาได้ยินผ่านหูไปก่อนอีกนอนกว่าจะไปสงเคราะห์เขาได้นะบางทีบางคนก็สอนแล้วสอนอีกสอนแล้วสอนอีกอันะ กว่าบุคคลเหล่านั้นจะตรัสรู้ได้ซึ่งถ้าเป็นบุคคลทั่วๆไปที่ที่ขาดความการุณาเนี่ยคงทำไม่ได้หรือกรุณาไม่เพียงพอเนี่ยทำไม่ได้ซึ่งเหน็ดเหนื่อยจริงๆถ้าหากว่านะใครที่ทำงานประเภทสังคมสงเคราะห์เนี่ยนะซึ่งคนที่ทำโดยที่ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยซึ่งเหน็ดเหนื่อยตลอดเวลาเนี่ยกลุ่มนั้นเนี่ยจะเข้าใจพระพุทธคุณได้ดี เพราะว่าทำแล้วมันเป็นมันเป็นประโยชน์ของเขาจริงๆแต่ก็ไม่ใช่ว่าเขาจะรับง่ายๆ